แต่จะรู้ว่าอง ونخرج له يوم القيامة كتابي ا و ن خ ر ج له يوم القيامة كتابي ا ل ق م ش و ر كتابك كفى بنفسك اليوم اقرأ كتابك ك ف ى بنفسك اليوم. ق ر أ كتابك ك ف بنفسك اليوم عليك ح س ي ب اقرأ كتابك ك ف بنفسك اليوم عليك حساب. من ه ت د ى ف َ إنما يتدلين ه نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن ولا تزروا وزرة وزرة أخرى. وما كنا معذبين حتى نبع ث رسول. ا وما كنا معذبين حتى نبع سرّسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. อินน์ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وشهدوا لا ل ه ل ا, إ الله و ه لا شريك له و ش د أن م, د م د ح م د د ه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه วَมันตบิ ع หุม biyhsanin ila yomiddin Allahu ma bika asbahna wa bika amsayna wa bika namutu wa bika n a h y a wa ilaikan nushur Allam anta Rabbi la ilahe illa anta خالق تني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعديك ما استطعت أبوه لك بنيعمتك عليا و أ ب و َ ب, ب ذ ن ب ฟ้าชดฟิลลี فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนำมัดศพทุกทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตาละที่อัลลอฮฺให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมา ในขณะที่บางคนเสียชีวิตไปแล้วก็มีเมื่อคืนนี้อยู่บนที่นอนก่อนที่จะลุกขึ้นให้อ่านดวงอาขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรานอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาดวอาบนที่นอนก็คืออัลฮามดุลิลาฮินลาดีอัฮยานาบาดามาอามาตานาวาอิไลฮินนุซู ถ้ากายอย่างนี้ใจก็นึกทำให้เราต้องผูกพันกับอัลลอสุบฮานววะฮวตาลาวทำไมต้องเอาหัวใจผูกพันกับอัลลอใจของคนเนี่ยถ้าไม่ซักฟอกถ้าไม่ซักฟอกหัวใจให้สะอาดเนี่ยใจสกปรก หัวใจสกรปรกนี่มันทำให้ร่างกายทุส่วนอวัยวะทุส่วนของร่างกายเนี่ยสกรปรกไปหมดฉะนั้นเรื่องหัวใจนี่จะต้องดูแลเป็นพิเศษฉะนั้นการดูแลหัวใจก็คือดูแลเนี่ยต้องซักฟอกหัวใจให้สะอาดด้วยการรำลึกถึงอัลลอ์มีอยู่ข้อเดียวคุรานตรงไหนอ่ะก่อนที่จะอ่าน กุอ่านที ick, lick, l ick, l ick. No ok ah ่เราอสุรอิสรอนี่ยอยากจะอธิบายเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะเราเคยอ่านไหมสุรานี่นะวัชรมวะฮาจใช่ไหวักัมรีอิฎะลฮะวันฮารีอจัลลาฮะวันไลลีอิฎยะหชาฮะวัชชะมอวะมะบนฮ والأرض وما طحها ا ونفس وما سواها ทั้งหมดมีอยู่เจ็ดรายการเรานั่นับดูสิสาาวันชั س ซิลขอสาบานต่อดวงอะไรดวงอาทิตย์เวลามาสองแสงวันหลอกพ่อมขอสาบานต่อดวงจันทร์สองรายการแล้วนะ ของใหญ่ๆทั้งหมดที่อัลลอฮฺสร้างมาวั น, นาฮารีสาบานต่อเวลากลางวันวันไลลีสาบานต่อเวลากลางคืนข้อหวัสซามาอสาบานต่อชัน้นฟ้าวัอรหกสาบานต่อแผ่นดินข้อทีท่เจว น, น ส, สาบานต่อชีวิต อัลลอฮสาบานต่อสิ่งสำคัญสำคัญเนี่ยอะไรดังสาบานเจ็ดรายการสาบานเจ็ดรายการถ้าอัลลอฮสาบานแสดงว่าสิ่งนั้นสำคัญมากนะให้เราสนใจ สาบานตั้งเจ็ดรายการในเวลาเดียวกันให้ดูแลอะไรกอดอัฟละหมันจักกาแท้จริงคนที่ซักฟอกหัวใจให้สะอาดนั้นเขาได้รับความสำเร็จแล้วสาบานตั้งเจ็ดรายการบอกว่าต้องดูแลหัวใจให้ดี 1. สาบานต่อดวงอาทิตย์ 2. ดวงจันทร์สครกลงวันสี่กลงคืนหาชั้นฟ้าหแผ่นดินเจดชีวิตทั้งหมดเนี่ยสาบานตั้งเจรายการบอกว่ากอดจะอัปราคามันกชีวิตหัวใจของเราจะสะอาดได้นั้นเป็นเรื่องจำเป็นเหลือเกินต้องทำหัวใจให้สะอาดให้ได้ถ้าใครที่ทำให้หัวใจสะอาด หัวใจสะอาดทําไงอ่ะก็คือหัวใจที่นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาอย่างอื่นไม่มีถ้าหัวใจไม่นึกถึงอัลลอฮ์หัวใจไม่ไม่อะ ไ, ไรนะไม่ติดต่อกับอัลลอฮ์ฉะนั้นด ع ا ء ที่ท่านนาบีสอนให้เราอ่านเนี่ยใช่หไหมตื่นที่นอนตื่นนอนมาอ่านด ع อาเข้าห้องน้ําอ่านด ع อาออกจากห้องน้ําอ่านด ع อาสวงกระจกอ่านด ع ا ء ใส่เสื้ออ่านด ع อา นมาตโอนิดเตือนทั้งตั้งแต่ยืนรือกวัวสุดยดอัตทะยานหมดเลยอยู่กับอัลลอฮ์หมดเลยออกจากบ้านอ่านดุอาเข้ามัสยิดอ่านดุานึกถึงแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์แคนั้นคนที่ผูกพันกับอัลลอ์ติดต่อกับอัลลอ์คนนั้นเป็นคนที่อัฟละได้รับความสำเร็จแล้วก็วกดขอบมันดัสฮส่วนใครที่ปล่อยปล่อยมักหมมปล่อยชีวิตเนี่ย เหล้าเล่นการทนันต่อยคนนั้นเตะคนนี้ด่าคนนั้นด่าคน น, น, น, น, น, นี้เห็นผู้หญิงก็จ้องมองเขาอะไรครับไม่เคยยับยั้งอารมณ์เลยเป็นยังไงข้อบะมห ม, มักมมสกรปรกโสมมม อ, อ๋อโอเคเนี่ยอ่านอัลลอฮ์เตือนท่านอ่านกุรอานเนี่ยต้องได้ข้อคิดจากอัลกุรอานอ้าขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه แาาละกุญแจ แล้วก็นบีก็อ่านอีกนบีขออุทิอีกอัลลอฮุมอาตินับซีตะกวะฮะวาจกะนบีขอดุท ah um น, นะนบีนะคนดีที่สุดในยังขออุทิเลยขอว่างี้อัลลอฮุมอาติโออัลลอฮ์โปรดนามาให้ให้โปรดให้นับซี ให้หัวใจของฉันนี่เป็นยังไงหัวใจที่ตักวาขอให้อัลลอ์ได้ประทานการตักวาแล้วก็ซักฟอกหัวใจให้สะอาดขอทุงอาต่อัลลอฮ์ฉะนั้นเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำหัวใจให้สะอาดได้เองต้องอาศ AH, ัยอัลลอฮ์ سبحانه แตาลาด้วยนะครับเอามาดูอายะอัลกุรอานวันนี้นะครับอายะที่สิบสอง ว่าจงนาเลย์เลวันนาฮาราเอยเตย์ยานตูยานนาแปลว่าเราได้ทำนี่อัลลอฮฺเล่าให้ฟังว่าฉันทำนะมาใช่ใครทำทำอะไรครับอัลไล่และแปลว่ากลางคืนวันนาฮารและกลางวันอายะาใจนี้สองสัญญาณ กลางคืนหนึ่งสัญญาณกลางวันก็อีกหนึ่งสัญญาณเรามันชินอนะชินทุวันทุวันทุวันทุวันทุวันเริ่มเริ่มไม่รู้ว่านี่เป็นสัญญาณที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่มาจากอ AH. ัลลอฮ์นถ้าไม่อ่านกรอ่านนี่ไม่รู้ก็เป็นมาอย่างนี้ตลอดตั้งแต่เกิดมาตายไปกี่คนกี่คนก็มีอย่างกลางวันกลางคืนอย่างนี้แหละไม่เห็นไม่มีอะไรแต่พออ่านกูอ่านไปอัลลอฮ์ชี้ให้เห็น กลางวันกลางคืนนั่นเป็นอาลามัตนะเป็นสัญญาณเป็นอายะอายะแปลว่าสัญญาณเป็นเครื่องหมายชั้นกลางคืนก็เป็นสัญญาณหนึ่งของอัลลอ์ถามมีกลางคืนไว้ทำอะไรคาตอบในคุรานอ า, ายะอื่นมีคุรานอายะ อ, อื่นก็คือกลางคืนมีไว้เนี่ยให้นอนหลับให้พักผ่อน แล้วก็มีไว้ท้ายไร น, นะให้นอนแล้วก็พักผ่อนสังเกตนะไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์นอนหมดนะแต่คนบางพวกไม่นอนอนะ่ะกลางคืนนี้ไม่นอนไปออกช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องเจ็ดนอนไม่หลับเพระนั้นทําตา ม, มาอัลลอฮ์เนีย่ยกลางคืนมีไว้เพื่อการพักผ่อนอัลลอฮ์อัลกบะตขอบขอคุณอลัลลอฮ์ นอนทั้งคืนไม่ลุกขึ้นนะมาดมันก็แย่อยู่แล้วนะแล้วตอนตีสี่เนี่ยตรงในเวลานอนเลยใช่ไหมแล้วนอนอร่อยด้วยตอนตีสี่นะตีสามเนี่ยตีสี่เนี่ยนอนอย่างมันเลยแหละแต่ว่าอรวรอาใครขึ้น ข, นขึนลุกขึ้นและข้าฟ้าอัลลอฮ์ข้าหาอัลลอฮ์จะเรียกวันมาตาฮัดูเดียมุลเลเนี่ยอัลลอฮ์หัวใจของคุณจะสะอาดมากเลยทําไมอะ่ะทำไมสะอาดอะ่ะเพราะไม่เคยเห็นน่ะ ไอ้นามากลางวันเนี่ยมึงเห็นกูเห็นอาจจะไม่กูชื่วแต่นามากลางคืนคนเดียวในห้องเปิดพัดลมเย็นๆเน็คท้าถ้าไม่อิมานจริงๆขึ้นไม่ไหวเน่ยมันมีคนเห็นด้วยไม่จะเอาแรงจากไหนอันนี้เรามันแรงเพราะคนอื่นเห็นด้วยอะไรด้วยซ้ำมันอหตนั้นหัวใจสะอาดบริสุทธิ์นามาตอนกลางคืนอันทำอยู่แล้ว เพราะกลางคืนเป็นอาลามัตหนึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลอามาส่วนวันนะฮะกลางวันมีไว้เพื่ออะไรอัลลอ์ให้มีกลางวันเพื่อทำอะไรจอระอัลกุรอานอธิบายเองนะครับมีอยู่สองสอนห้มาอัลลอ์ให้กลางกลางวันมีสองอย่างหนึ่งเพื่ออะไรนะเพื่อลิตาบตารู เพื่อสแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์นี่เป็นเฮกมาที่หนึ่งเฮกมาที่สองมูบอซีรอตันสว่างอัลลอฮ์ให้กลา ง, งวันนะมีสองเกมาเฮกมาหนึ่งอะไรนะออกไปสแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์เฮกมาที่สองอะไรนะมุบอซีรอตัน สว่างเห็นสว่างอัลลอฮฺอักบัตนี่ถ้าไม่แต่กลางคืนอย่างเดียวไม่มีกลางวันยุ่งน่ะยุ่งหน้าดูเลยลําบากตายเลยค น, นคนงานคนงานที่ทำงานก็นอึดอัดกันหน้าดูหมดแต่นี่เราลาให้มีกลางวันและมีกลางคืนอัลลอฮฺอักบัต์กลางวันกลางคืนนี่ต้องอาศัยอะไรนะอาศัยดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกขอบคุณอัลลอฮฺสุภานหูนะวาตาละอา้าวต่อมาครับ ามาเฮ้านาอาญาตลเราได้ทำให้เราได้ให้สัญญาณของกลางคืนมืดมัวอาอเนี่ยมาหฮ้านาเนี่ยทำให้มืดพอกลางคืนมาเนี่ยทำให้สิ่งแวดลอ้อมรอบๆตัวเราเนี่ยมืดหมดเลยมองไม่เห็น อ๋อนี่เาเล่าเองนะให้เราคิดอ๋อกลางคืนมาเนี่ยมันมืดนะอารยานาอายาตันนะฮารและเราได้ทำให้กลางวันแต่ทำให้สัญญาณของกลางวันเป็นที่สว่างนีง่ไงเป็นฮิกมะมุบซีรอลทำให้สว่างจะเห็นอะไรชัด นี่เป็นให้กมาอันหนึ่งของอัลลอฮฺสุบฮานาฮ ah, hmm. ฺอัละอฮ์ให um ้เราใช้ปัญญาให้เราคิดหัวใจคนที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ในเรื่องอย่างนี้นี่ก็การชมอัลลอฮ์น่ะชมเมียชมได้ชมลูกก็ได้พอชมอัลลอฮ์นึกไม่ออกนี่อาญาณนี้นะเป็นการชมอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นแหละนะเราชมอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีความสามารถให้กลางวันมีให้กลางคืนมีให้มีกลางคืนให้มีกลางวันมีสองให้กมากลางวันก็มีสองให้กมากลางคืนก็มีสองให้กมาเหมือนกัน กลางคืนหนึ่งเอาไว้พักผ่อนสองมองอะไรไม่เห็นมืดหมดเลยแล้วก็เย็นสบายด้วยนะครับส่วนกลางวันนั้นให้เป็นที่สว่างเพื่อที่จะอะไรน ะ, สะแสวงหาฤสกีของอัลลอฮสุบฮานาูวาตาและเนี่อัลลอฮอมู่ท่านหนึ่งอธิบายดีไอกลางวันกับกลางกลางคืนเนี่ยในที่เดียวกันนะพอกลางคืนเนี่ย คนกลัวอย่างซอนซาลากุโบสมัยก่อนน่นะเพราะกลางคื น, นเนี่ยไม่ให้กล้าเข้าอะแต่กลางวันเนี่ยเข้าได้พวกพอความมืดมันมาเนี่ยมันก็กลัวด้วยกลัวผีกลัวชายตอนกลัวอะไรนะเจ้าทุงเจ้าที่อะไรกลัวไปหมดอเล็กก็อธิบายให้ฟังว่าถ้ากลัวชายตอนกลัวผีเอาดูอาของที่นบีสอนไว้หนึ่งอายากรูซีสองอะไรนะ อ่านกุนวลลสามกุนอ่านอายาคูซีอ่านโซรอบบักรอถ้ากลัวนะ่ยใช้ตงใช้ตอนมันก็จะหนีไปหมดเลยเนี่ยเห็นอย่งอัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ก็บอกวิธีว่าถ้ามีความกลัวในเวลากลางคืนให้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ให้อ่านดูอาให้อ่านกุรานแล้วก็สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยมันก็จะหนีหายไปเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยไอความเลวร้ายที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ย เวลากลางคืนน่ยมันก็จะออกสแสดงตัวออกมีคนหลายคนเนี่ยมีหลายคนนะถูกงู ก, กัดในเวลากลางคืนมีไหมมีแล้วก็นบีก็สั่งตอ น, นพอตะวันตกดินเนี่ยให้เรียกลูกเรียกหลานเข้าบ้านให้หมดเพราะว่าชัยตอนมันจะออกทา ม, มาหากินหาทิสกีของมันก็ตอนพอตะวันตกฉะนั้นมุมิน เดินเข้าบ้านส่วนกาเฟตนั้นหรือว่าชายตอนนั่นจะออกนอกบ้านมันสวนทางกันฉะนั้นเครื่องหมายที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยกลางวันกับกลางคืนนั่นเป็นอาลามาัดที่ยิ่งใหญ่เลยคนที่เป็นมุสลินเนี่ยพอตะวันตกดินเนี่ยเขาจะเข้าบ้านอะดำลึกถึงอัลลอฮฺเรียกลูกเรียกหลานเข้าบ้านให้หมดนะครับแต่ส่วนคนกาเฟตนั้นพอตะวันตกดินดีใจจะออกเด็กจะออกละจะออก ออกไปแสวงหายปทรมาหากินในหัวขโมยลักเล็กขโมยน้อยก็ใช้เวลากลางคืนนั่นแหละพวกดรงดาราท่านงนังรอกหากินตต่เวลากลางคืนทั้งหมดเป็นการแยกแยกคนสองประเภทได้ด้วยทั้งหมดเป็นสัญญาณของอัลลอฮ์สุภานหูวตาล่านะครับต่อมาครับฮิกมาที่สองอัลลอฮ์สร้างกลางวันกลางคืนนี่เป็นฮิกมารวมนะ วิลิตาเลมูอัตาดัศนิน والحساب อัลลอฮให้มีกลางวันกลางคืนเพื่อสู่เจ้าจะได้รู้จักลิตาเลมูแปลว่ารู้จักรู้จ ah ักอะไรครับอัตาดัศนินการคานวณอาตแปลว่าการคานวณอัศนินแปลว่าปี والحساب และให้ทราบเนี่ยแปลว่าคํานวณ น, นะอาดัตแปลว่าจํานวนจํานวนกับคํานวณไม่เหมือนกันนะอดาดัตสีนีนาวันให้ทาบเพื่อสู่เจ้าจะได้รู้จักจํานวนปีและการคํานวณอัลฮัมดุลิลละนี่ไงวิชาเลขคณิตคณิตศาสตาบเนี่ยนี่ทําให้เรารู้เลยอ๋อปีนึงมีกี่วันเดือนหนึ่งมีกี่วัน การอะไรมันโครจรไปถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่เหมือนโครจร อ, อยู่บนท้องฟ้าทั้งหมดมันสัมพันธ์กันหมดเลยอัลลอฮฺอักบัตอัลฮัมดุลิลละสมัยก่อนเนี่ยพู้หลักผู้ใหญ่เรานี่นะไม่ค่อยได้มองปฏิทินเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่จะมองอะไรนะบองดวงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ อ, อ๋อในกี่ข้ามกี่ข้ามสเกได้นกี่ข้ามกี่ข้ากลางวันก็มองดูดวงอาทิตย์จะเข้าจะเข้านมาดเนี่ย ก็ต้องมองดวงดวงจันทร์ล่ะนมาตไม่จะ่นามาซุฮดลมาตอัสรีก็ใช้ดวงดวงจันทร์นบีก็สอนทั้หมดเลยนะวะถ้าไม่มีนาฬิกาใช่ไหมอย่าลืมนะดวงอาทิตย์เนี่ยช่วยท่านได้อย่างดีเลยนาฬกาที่เข้าเฝ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เวลานมาซุฮดในเริ่มใต้ตอนไหนตอนเงาเนี่ยถ้าเงาตรงหัวเนี่ยเขาห้ามนมาตเพราะเป็นเวลาของชาตอน พอเงาเนี่ยมันเลื่อนไปนิดหนึ่งมีเงาออกมาหน่อยหนึ่งนั่นแหละเข้าเวลานามาซุฮัแล้วนามาดไปแต่จนกระทั่งเงานเนี่ยเท่าตัวพอเลยเท่าตัวไปแล้วเข้าเวลาอของอัสลีสอนได้หมดใครคนจะเป็นมุสลิมเนี่ยอัลลอฮดูนิลละขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราใช้ปัญญาใช้สติปัญญาโดยนบีมาสาธิตวิธีการใช้ปัญญาฉะนั้นอย่าไปกราบดวงอาทิตย์อย่ากราบดวงจันทร์ เพราะสิ่งท้องสองสิ่งนี้อะไรนั่นบริการมนุษย์อยู่ให้เราขอบคุณอัลลอ์สุบฮานาหูวะตาลาวะลิตาลามูอัดัดสินีนวัลฮิซับเพื่อสู่เจ้าจะได้รู้จักจำนวนปีทั้งหลายและการคำนวณให้ทาบว่ากุลล์เชยิมฟัลซลนาหูทัฟซีลา และทุกๆสิ่งกุลละใช่แปลว่าทุกๆสิ่งเราได้ชี้แจงฟัสซอลนาเราได้อธิบายเราได้ชี้แจงอลัลลอฮอธิบายไว้หมดแต่นี่เราไม่รู้ไงอลัลลอฮฺอธิบายตรงไหนเราไม่รู้อาพุกขออธิบายเสริมไว้แล้วกันนะเอาเอาเรื่องเกียรติยศเกียรติยศกับเงินเนี่ยนะเกียรติยศกับเงิน ใชยตอนนี่นะมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยเห็นในอิทธิพลของใชยตอนทั้งหมดนั่นแหละแม้แต่คนว่ามีการศึกษาสูงสูงที่เป็นมุสลิมที่อีมา ن สูงสูงนะบางครัง้งบางคราวใชยตอนมันกระยุให้คนเนี่ยนะมองว่าเกียรติยศกับเงินนั้นถ้าใครมีสิ่งสองสิ่งนี้คนนั่นเป็นคนสำคัญ คนก็จะพาอนยกย่องเลยใช่ไหมม่ใช่ยกย่องคนนี้เงินยกย่องคนนี้เกียรติแต่ศาสนาไม่มีมีแคส่สองรายการนี่แหละมีอะไรนะมีเงินกับมีเกียรติในสังคมมีคนยกย่องเนี่ยมุสลิมเนี่ยถูกหลอกโดยชัยตอนใครที่มีเงินแล้วก็มีเกียรติในสังคมมองว่าเป็นคนประเสริฐเป็นคนดี นี่ใครนะใครยุนะชายตอนเอามาดูกุรานคุรานอธิบายยังไงกุรานอธิบายไม่ใช่อย่างนั้นอินนะอัครมากุมอินดัลลอฮิอัจโกุมคนที่มีเกียรติมากที่สุดอลัลลอฮ์พูดเลยนะก็คือคนที่มีตักวาก็คือคนที่ซักฟอกหัวใจของตัวเองสะอาคดคนไั้นเคนประเสริฐที่สุด อินนาอัครมากุมอินดลลอยอัตโกกุมคนที่ประเสริฐที่สุดในกลุ่มพวกท่านเนี่ยก็คือคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮฺอุษาซาบานตั้งเจครั้งเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะขอสาบานต่อดวงจรรันทร์ดวงอาทิตย์กลางเมือกลางวันชั้นฟ้าแผ่นดินต่อชีวิตคนที่จะสะอาดได้ต้องเป็นคนที่ซักฟอกหัวใจให้สะอาดทั้งทงที่รู้อย่างนี้ชัยตอนมันก็ยุว่าหรือมองสิ ใครที่มีเกียรติใครที่มีเงินคนนั้นแหละเป็นคนดีที่สุดไม่ใช่คนที่ซักควกหัวใจให้สะอาเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์อธิบายผ่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยให้เราเข้าใจแค่เราตร้องต้องนึกเอ้คนที่ชาวบ้านเขาโยงโยงคนนี้เป็นคนดีเพราะเขามีตังกับมีเกียรติไม่ใช่ไม่ใช่กดอัฟลาฮามันจักรเอาคุอ่านไปตาสินครับ อินาอาครามกุมอินดัลลอฮิอัตกรุมคนที่ประเสริฐที่สุดก็คือคนที่มีการตักวาสำรวมตนต่ออัลลอฮ์กลัวอัลลอ์นึกถึงอัลล์สุบฮานะฮุวดะอัลาคนนั้นเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดแต่ถ้ารวยด้วยดีมดีถ้ามีเกียรติด้วยดีมดีแต่ ถ, ถ้าไม่มีสองรายการเรามีตักวานี่ยเราเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดแล้วในสายตาของอัลลอ์ุบฮานะฮวะอลา อาตอมาครับในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้ว่าีจล่าาอัลลอ์ให้มีกลางวันเนี่ยแสงมันแสงมันกล้าแสงมันแรงอัลลอฮ์อธิบายเลยนะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแสงกล้าแสงแรงมากร้อนด้วย ว, ว่ารอมาว่ารอนูรอต่อดวงจันทร์นั้นแสงมันนวลแสงสวยแล้วก็ไม่ค่อยร้อนไม่ร้อนเลยแหละเอามาจากไหนแสงของดวงดวงจันทร์นี่จากอัลกุรอานทั้งหมดเลยนะดึงมาจากดวงอาทิตย์อัลลออัลลอฮฺอัลกุบะนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ข้อมูลจากอัลกุรอานนี้แหละไปวิจัยไปวิเคราะห์นี่กุรอานชี่นําไปหมดเลยนะ วก็ดารหูมาณิล่และอัลลอฮ์ได้กำหนดการโคจรเห็นไมของดวงอาทิตย์โคจรอย่างนี้ดวงจันทร์โคจรอย่างนี้ดวงดาวทั้งหมดโคจรอย่างนี้ในอายะอื่นนะในอายะอื่นอธิบายไว้ลิตาอะลามูอดัดดิีนีนวัลฮิซบเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักจำนวนปีและก็การคำนวณ ไม่ خلق Allah ذلك إلا ب ا อ ح ق نع أيّة أُنّة Allah ไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่ออื่นใดนอกจากให้เป็นประโยชน์คาว่าอิลลิลฮักสร้างมาเนี่ยทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยไม่มีอะไรที่สร้างมาไม่มีประโยชน์ไม่มีาอาแม่แม้ตต่การ ปวดหัวก็มีประโยชน์ปวดหัวเนี่ยนอนนอนนอนนอนไม่หลับปวดหัวมีประโยชน์ประโยชน์อะไรบ้างอ่ะก็ต้องคิดอีกแล้วมีประโยชน์อะไรอ้าวถ้าไม่มีหมอเกิดขึ้นใช่หรือไม่ใช่ก็หายุง่งหายามารักษาทั้งหมดมีประโยชน์หมดเลยของที่อัลลอให้มาบนโลกดุนยาใบนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์ แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยความบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญเกิดขึ้นโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้เกิดไม่มีอย่างวันนี้นั่งกันวันนี้ตรงนมสัสกิดเราเนี่ยวันนี้นี่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้ววันที่เราเนี่ยสามสิบมีมีสองร้อยเต็มสุเราเลยวันนี้กำหนดไว้แล้วอย่างนี้นต้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยความบังเอิญไม่มีนะครับ อาต่อมาอายะที่สิบสว่กุลลอินซานินอัลจัมนะฮูฟีท้อิรฮูฟีอัลนุคีวะหลอายะนี้ดีมากเลยว่กุลลอินซานินอัลจัมนะฮูท้อิรฮูฟีอันุคีละมนุษย์ทุกคน กุลเอินซานมนุษย์ทุกคนนี่เน้นย้ำมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกดุจยาใบนี้มีประมาณเจ็ดพันล้านคน อ, อัลจับหน้าหูเราได้แขวนติดไว้เราได้แขวนติดไว้หรือเราได้คล้องไว้ที่คอของเขาคล้องอะไรครับปออิรอวู การงานของเขาการงานของเขาในภาษาอุดูอธิบายดีเบเรกิสมัตความชั่วของเขาความชั่วที่เขาทำทำทำทำท ำ, ทำทั้งหมดนั้นอัลลอเอาไว้ที่คอของเขาเองเก็บไว้ที่คอเขาอนั่นแหละมันจะไปเก็บที่ไหนหรอ สรุปแล้วนี่นะมือเป็นพยานเท้าเป็นพยานในวันเตียมะนะยาอื่นนะแผ่นดินเป็นพยานสมุดบันทึกที่อัลลอฮจัดให้อีกมาลายิกาซ้ายขวากี่ข้อมูลนะถูกเก็บไว้กี่ข้อมูลและข้อมูลนี่ข้อที่ห้ากอยู่ที่ไหนคออ้อาวกายเป็นหข้อมูลไปแล้ววันนี้นะเทยาอื่นเร้ออ่านใช่ไหม อัลยาอมานักติโมอาลาอัฟวาฮิหิมบาตุกันลิมูนาไอดีหิมในวันเกียมาเนี่ยอัลลอ์จะให้มือพูดให้เท้าเป็นพยานอันนี้ก็ไปไม่รอดอยู่แล้วอันที่สองอลลอ์ออให้มาลายกาซ้ายขวาบันทึกดีแล้วก็ชั่วแล้วก็อัลลอ์ให้แผ่นดินยามาอิลินตุฮัดดิสุอับารฮวันนี้อัลลอ์ให้แผ่นดินเล่าเรื่องของเราให้ให้เราฟัง คนฟังกันหมดทั้งโลกอ่ะเอาแนดเล่าิเล่าปับแล้วก็สมุดบัญชีที่มะลายกลับบันทึกอีกทั้นสีข้อมูลนะข้อมูลที่5ว่ากุลอินซาเนนอัลซมนาูบอิรูฟอนุกที่เก็บข้อมูลเราก็คือมนุษย์ทุกคนนั้นเราได้บันเราได้แขวนติดเอาไว้ ข้อบันทึกแห่งการงานของเขาไว้ที่เอานุกแปลว่าขอมันจะอยู่ไกลเลยคำอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่อัลลอ์เล่าให้ฟังฉะนั้นต้องนึกถึงอัลลอฮ์ต้องกลัวอัลลอฮ์ต้องปฏิบัติภาษาอุนดูพูดว่าบันทึกความชั่วเอาความชั่วนะไว้ที่คอคุณนแ่แหะ ต่อมาครับเอาไว้กี่วันว่นนุคริจูละหูยามันกิยามติกิตาบียลกาหูมันชูรอและเราจะนำมันออกมานุคริจูนำข้อมูลที่เก็บไว้ที่คอเนี่ยจะเอาออกมาวันไหนครับ เยาว์มัลติ亚马ในวันเตียามาลาหูให้กับเจ้าของเองตอนนี้เก็บข้อมูลไว้ที่ไหนที่คอวันกียมะอลัลเราจะเอาออกมาข้อมูลให้คูดเองอือเอาไปอพอดึงเอาออกมากลายเป็นอะไรครับกีตาบันเป็นอะไรพี่น้องเป็ น, น, ปนบันทึกกลายเป็นบันทึกเลย อลัลลอ์มีความสามารถขนาดนั้นนะยังไม่กลัวกันยังไงล่ะพอออกมาการเป็นบันทึกเลยบันทึกแบบไหนยัลกอฮ u m a n s u รเขาเห็นมันมันชูรแปลว่ากลางแผ่อลัลลอ์เห็นข้อบันทึกทั้งหมดที่อลัลลอ์เก็บไว้ที่คอเนี่ยดึงออกมาพยับ กางแผ่เห็นชัดเลยเอาเห็นชัดอยู่ในสุรลไนละก็ดกุนตฟีรฟติมมินฮาดาฟักชฟนาอันกิกะฟบรุกอมะฮดดขณะนี้เนี่ยข้อมูลที่อัลลอฮเก็บเก็บไว้เนี่ยนะท่านเนี่ยไม่สนใจไม่เคยนึกเลย ข้อมูลที่อรรถเก็บไว้ฉันไม่แคร์เก็บก็เก็บไปเชิญวันนี้เราไม่ให้ความสนใจกับการงานของเราที่เราลงทุนทาทาทาทาท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำเนี่ยเราไม่เคยนึกถึงข้อมูลที่อรอถเก็บเลยนะฟากาชัฟนาะแล้วเราจะอะไรนะจะเปิดอังการตรอากาที่ปกคลุมท่าน่ะให้ออกมาจากท่าน วันไหนในวันกิยามะฝาบาซอรุกัลเลียวมาฮาดีสายตาของคุณนะเห็นชัดเลยมาต้องใช้แว่นด้วยเห็นชัดเลยข้อมูลที่คุณทำทำทำเอาไว้จะเป็นดีหรือชั่วก็ตามส่วนใหญ่จะพูดเรื่องชั่วไอ้ขอดีนะ้ไม่มีปัญหาหรอกเรื่องชั่วนะ่ะเห็นกลางแผ่เห็นชัดหมดเลยเห็นแบบคมกริบเลยฝาบาซอรุกัลเลียวมาฮาดีเห็นชัดมากเลย เอาซาบินลขอความความจะเอาเรากลัวนะอ่านแล้วมันกลัวอิมานมันก็เพิ่มขึ้นอือีกอายะหนึ่งอธิบายอย่างนี้คือกุรอ่านกับกุรอ่านอธิบายกันเองอะดีที่สุดอัอุอลมามะมาอธิบายก็ เ, กเฉพาะบางอายะแต่กุรอ่านอธิบายคุรอ่านดีที่สุดอ่าคุรอ่านอธิบายอย่างนี้เยาวมะยากูมุนนาซูลิรอบบินลอัลเลมีนในวันเตียมะเนี่ยมนุษย์จะถูกฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพ ผมก็นึกเนี่ยตรงนี้ฟังเป็นพันนะที่คองเทสเนี่ยเราก็เดินไปทุ่งมาชาัดเนี่ยวอลอาปนะ <c oughs> ถึงนบีบอกว่าใครที่ไปตายที่นู่นนะ่ะที่มะกานะ่ะดีไปเสียชีวิตที่มาดินานะ่ะดีบางฮะดิษอธิบายว่าให้ไปตายที่ซีเรียนะ่ะดีเพราะที่ซีเรียนะเป็นสถานที่อะไรนะเป็นทุ่งมาชาัดอ่ะมันมีปัญหา เราต้องถูกรวมกันแน่ๆอละองอธิบายอีกคนตอนฟื้นจากกูโบเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรนะตา ก, กแตนพอฟื้นขึ้นมาจากกูโบเนี่ยเปรียบเปรียบเสมือนตา ก, กแตนนะอละองอธิบายอย่างนี้นะครับกันลาอินนากิตะเบลฟูจาริลาฟิซีดีนบันทึกของคนชั่วเนี่ยถูกเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ซิดีน วม่มาอดาะดอกามาสิญีนอะไรอ่ะที่จะบอกให้คุณรู้ว่าสิญีนนั้นคืออะไรกิตตบุญมารกูมสิญีนก็คือบันทึกที่ถูกเก็บเอาไว้ไวลุยเยาวมิรินลิลุกันซีบินความวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เชื่ออรรถความวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เชื่อวันปิยมั คนที่ไม่เชื่อวันเกียวมันก็คือคนที่ไม่เชื่อว่าผลงานที่เขาทำเรื่องชั่วๆไว้เนี่ยจะไม่ถูกตอบแทนจากอัลลอ์วันนั้นเขาจะเสียใจมากที่สุดนั่งกลมหัวอย่างเงี้ยเศร้าใจต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวะตาลานี่กุรานอธิบายกุรานนะครับเอาต่อมาครับตัวลวงว่าข้อมูลของมนุษย์นี่อยู่ที่ไหนนะ อยู่ที่ไหนอยู่ที่คอใช่ไหมใช่อายะกรานตรงนี้ฟีอานุติฮีอัลลอ์เก็บข้อมูลเป็นความชั่วของเขาอยู่ที่คอของเขาวานุคริจูลาหูและเราจะเอาออกมาให้แก่เขายาวมันติยามะในวันสิ้นโลกกิตาบันกลายเป็นบันทึกยาลกอฮุมันชูรอเห็นมันกางแผ่เห็นชัดๆเลยตัวโตโตโตโต อา้อาวเลาสั่งว่าไงอายาที่14อีกอก็รอจงอะไรจงอ่านตัปสิกอธิบายอีกแล้วคนอ่านหนังสือไม่ออกบนดุนยาดีก็เยอะเราจะอ่านออกยังไงอ่าข้อมูลเป็นภาษาอะไรยังไม่รู้เป็นภาษาเพราะว่าจะเป็นภาษาหรับมากกว่าเอ้าวอ้าอ่าน แล้วคนที่อ่านกภาษารับไม่ออกจะอ่านได้ไงนบี บ, บอกว่าอ่านออกเลยพอ เ, เห็นปั๊บอ่านเลยรู้เอานี่ผลงานชันเห็นปั๊บรู้เลยเนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรหร่เป็นตัวอะไรเราก็ไม่รู้นะเพราะเปิดภาพอ่านออกทุกคนเลยนบี บ, บอกเร า, าอิฟเคราะา ห, ห์จงอ่านเห็นไหมจงอ่านกีตาบากา i ิกราะกิทับกะ a าฟาบิ a ัฟซ k กะล a ามอ a ล a ลกบจงอ่านบันทึกการงานของท่านกาฟาบินัฟซิกกาฟาแปลว่าเพียงพอแล้วแก่ตัวของท่านอัลยมในวันนี้อาลไลกะฮาีบาจะเป็นผู้ชำระบัญชีต่อตัวของท่านเอง อ่านปั๊บรู้เลยว่าตัวเองจะไปนรกหรือไปสวรรค์รู้เลยครับว่าพอแล้วมันต้องไปอาศัยใครช่วยช่ยช่วยตีความกฎหมายจะแบบนี้ที่จะผ่านหรือไม่ผ่านตน้องมีอะไรนะสารรมนุ์ไม่ต้องอ่านปั๊บรู้เลยเนี่ยจะไปสวรรค์หรือไปนรก<อ><อ>เห็นอย่างครับความยิ่งใหญ่อของอัลลอ์ขนาดไหน ไม่ต้องอาศัยใครมาตีความแล้วต้องห้เสียษานรัฐธรรมนูนไม่ไม่ต้องแล้วกัฟราบินับสิก์พอแล้วอ่านปับน๊บในรู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นชาวดารกหรือชาวสวัสค์ท่านกตาดะอ่าเราดิญญาลลอฮอ่านดรายงานจาท่านนาบีในภาษาอูดูก็บอกว่าอิสโรสเบปาระอาดามีบีนามะอามานปะเลก คนที่อ่านหนังสือไม่ออกในวันนั้นก็จะอ่านออกนี่ท่านนบีพูดแล้วก็ท่านกตาดากระเดียลลาวอันดุได้นาเอามาเล่าให้ฟังคนที่อ่านไม่ออกก็อ่านออกโอ้โหกลัวละนั้นน่ะเนี่ยเอาต่อมาครับ อีกราะกิตะบากาคาฟาบินับศิกลิยามาลัยกะหาสีบาจงอ่านบันทึกการงานของท่านกาฟ้าบินับศิกเพียงพอแก่ตัวของสูเจ้าแล้วอิยาวมวันนี้อาลัยกะหาสีบาบัญชีของทุนบัญชีของท่านเนี่ยนะข้อบันทึกของท่านนะ่ะจะเป็นผู้ ชำระบัญชีต่อตัวของท่านเองอ่านเองเข้าใจเองไม่ต้องของการอธิบายอีกต่อไปนะครับต้องการจะบอกอย่างนี้อายานี้กขาบอกนะนี่กูอ่านอธิบายกูอ่านนะฟามายามันมิกลาลาตินคอยรอยยะรอในอายากูอ่านเล่มเร็กใช่ไหมล่ะใครที่ทําความดีเอาไว้เพียงเล็กน้อยเขาก็จะเห็นมันนี่เห็นแบบนี้แหละเห็นชัดเลย ว่าไม่ยามัลَิสโกและซาโรตินเช ي รยَรอใครที่ทำความชั่วไว้นิดหนึง่งอลลรคก็จะให้เห็นชัดเลยอันิดียมีนวาอันิชิมาเรีกลลาาายกไอนลอรรรมาเลก้าที่อยู่ทางซ้ายมือกับขวา ม, มือเอกมายัลฟฟซูมิงเกาลินละไดฮิรตีคำพูดของมนุษย์นี่นะที่ออกไปแต่ละคำแต่ละคำนั้นมีผู้บันทึกเก็บทั้งหมด แต่ละคําที่ออกไปนี่นะแต่ละคําที่ออกไปในบันทึกหมดนี่แบบนี้แบบทีวีนี่บันทึกหมดเลยอ่ะนี่ทําให้เรานึกอ่ะนี่ของใครของมันอลาวมาบันทึกหมดเลยมีจ่องมีจ อ, จอกันทุกคนอ่ะอลาวัลบานน่ากลัวนะแล้วเราจะไปแฉในวันเตรียมมาอื้มเขาบอกว่าวันมักสูต้ต้องการจะอธิบายว่าอาย่า น, นี้ต้องการอะไร อานี yani ah ้เราอ่านกอยู่เนี่ยอิกรอกิตาบากกาฟะบินำศิกลยาวมาลาอกะฮซีบะต้องการจะอธิบายอย่างนี้งานของลูกอาดัมทั้งหมดถูกรักษาอินนัอามะลาอิบุอาดัมมัฟฟูซุนอลาอฮิกาลิลูหูวกัสีรูงานของมนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกอาดัมถูกรักษาหมด ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่คำพูดด่าหรือชมถูกรักษาหมดเลยเนี่เราต้องนึกตรงนี้จะนั่นจะพูดอะไรตรงนึกนี่พูดไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ทึกบันทึกหมดนะถ้าไปเปิดบัญชีดูมีแต่ชมอัลลอฮ์สุภาพอัลลอฮ์แล้วทดีๆเลยแล้วกับด่าชาว บ, บ้านกับหมดหมดีหมดเลย <c oughs> นั่นนะคนโง่โงเนี่ยกับคนฉลาดมันต่างกัน อาน บ, บีสองไงนะอัลกยิสุมันดานันับซะฮูวะอามิลาลีมาบาเดลมาคนฉลาดก็คือคนที่ทบทวนตัวเองตลอดเวลาจะทำอะไรก็ตามนึกผลมันจะออกมาหลังตายนั่นคนฉลาดส่วนคนโง่โงเนี่ยปฏิบัติตามอารมณ์อารมณ์สั่งการอะไรปฏิบัติหมดนั่นคนไม่ฉลาดจะต้องคนฉลาดต้องนึก ทำแล้วพูดไปแล้วต้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺหลังตายอายานี้เข้ามาประกอบอาวสรุปง่ายๆก็คือว่าคำพูดของเราแต่ละคำแต่ละคำนั้นถูกบันทึกไว้หมดแล้วถามว่าเมื่อถูกบันทึกเป็นเรื่องชั่วชวทั้งหมดนะ่ะวิธีลบมีไหมแหละลบข้อมูลนะมีไหมมีวิธีลบทำไงครับต้องเตาอะไร ต้องเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ต้องเตาบ้าตัวครับแต่พอเขายืมเงินเขาว่าแล้วก็ชากดาบลบไปลบมาอยู่สิบปีแล้วมันทึกมันมีอยู่หมดเนะี่ยเราทำไงอะ่ะก็ต้องไปหาตัวเขานาบีสั่งเลยนะอลัลลอฮ์สั่งนะอ้าวใครทําเป็นแบบภรรยานาบีทําเป็นแบบเไว้ภรรยานาบีเนี่ยเวลาก็กดมีเถียงกันอะไรกันเพราะเป็นภรรยานาบีทั้งหมดนะ่ะหลายคนพอเถียงเถียงกัน พอตัวเองไม่สบายก็จะไปสั่งไปเรียกเชิญคนนั่นมาเชิญคนนี้มาให้มาพบแล้วขอมาอ้าฟกันก่อนตายแต่พวกเราเนี่ยเวลากโกรธใครแล้วพูดฉันจะไม่ขอเยี่ยมวันตายก่อจะมาไปนามาดมีพูดใช่ไหมนั่นคืคนไม่ฉลาดคนฉลาดต้องขอมาอ้าฟฉันต้องขอมาอ้าฟเพราะไม่เกี่ยวพันกับชีวิตเราหมดเลยฉะนั้นวัตถุและอินทาน้น อันดมน้ตปอยระวฟเอานอเมนุษย์ทุกคนถูกเก็บข้อมูลไว้ที่คอของเขาจบเขาต้องอธิบายอะไรเยอะเลยอ้าวต่อมาอายาสุดสิบห้าอายาสุดท้ายมันจะไดาฟะอินน์มะยตดีลนัฟซิวามันดลล์ฟะอินนมายดิลุอัลล ولا تزروا زرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى ن ب ع <ك ت س belief> <S <S <s َ رسولا ي นี ي ดีแล้วนอัลลอฮฺอักบัรพูดหลายเรื่องเนี่ยเอาเรื่องที่หนึ่งมันนตาดาใครที่อยู่ในทางนำ หมายถึงมีาศาสนาเนี่ยอยู่ในท า, นางนาหมายถึงมีาศาสนาสนใจาศาสนาเรียนาศาสนาปกป้องตนเองชาระหัวใจให้สะอาดอาลัลลอสาบานตั้งเจตรายการเมื่อกี้นะใช่ไหมนะ่ะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องมีาศาสนาคนมีาศาสนาคนนั้นอยู่ในทางนำทีนี้ทางนำที่เขา ได้มาเนี่ยไปไหนฟะอินนามายาตาดีลินับซีแท้จริงเขาอยู่ในทางนำได้ประโยชน์กับใครลินับซีได้ประโยชน์แก่ตัวของเขาเองมียได้ไหมไม่ได้ลูกได้ไหมได้ไม่ได้ฉะนั้นถ้าพ่อดีนี่นะก็บารมีพ่อเนี่ยมันถึงลูกด้วยเหมือนกัน อ่ะเช่นมีอยู่คนหนึ่งมีลูกอยู่มีลูกโตครูอยู่คนหนึ่งก็แล้วกันนะไปแถวๆคลอ ง, องสิสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไปเที่ยวถามว่านี่มาจากไหน่ะมาจากคอนเทสต์จากอา จ, จารย์มุต้าไหมย ก, ย ก, ยกตัวอย่างยกตัวอย่างบอกรู้จักอยู่บ้านใกล้ๆกันเขาก็เฉยๆพอบอกว่าเป็นลูก วางตัวต่างกันเลยนะชาวบ้านเนะ่ยวางตัวการวางตัวพอรว่ปเป็นลูกคนนี้ลูกคนนี้เชื่อกลนะเอากจมาเชื่อตอนรับผูกข่าวเลี้ยงดูบา ร, รมีพ่อใช่ั้มนะ่ะท่านถ้าพ่อดีเอาลอลูกได้ประโยชน์เยอะไปฝากงานที่ไหนลูกใครลูกพ่อคนนี้เก่งใจรับ ฉะนั้นถ้าพ่อนะวางตัวดีมีศาสนาบารมีไปถึงใครถึงภรรยาถึงลูกถึงหลานหมดเลยเนี่ยเอาล้อให้นั้นนะแต่จะไปสวรรค์ตะโกนในโกนี่เรื่องหนึ่ง น, นะฉะนั้นจะเกาะชายพระส่์สามีเข้าสวรรค์ได้ไหมไม่ได้ถ้าได้ก็ฟาโรก็อาศัยเมียสิเมียมยีช่วยจ้นหน่อยฉันเนี่แย่แล้วนะเนะมียฟาโรเข้าสวรรค์แล้วก็ เมียของใครนบีนบี น, บนัวเป็นไงตกนรกเันอย่างฉะนั้นขนาดเป็นภรรยานานบียังตกนรกเลยเชินตัวเสอาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมนบีขึ้นเมอรอร้อนเข้าไปในสวรรค์แล้วไปเห็นอะไรนะสเมอตุโคชโคชากะอามามีฉันได้ยินเสียงกรกแจกกรกแจกของรองเท้าของไซนาบิล้าน อยู่ในสวรรค์ชั้นที่เจ็ดน่ะนบีน่ะขึ้นบุรอกไปใช่ไม่ใช่ทําบิลารนขึ้นอะไรไป <c oughs> เป็นข้อเตือนใจที่ดีสุดเข้าไปในสวรรค์ได้ยังไงชั้นชั้นชั้นที่เจ็ดแล้วใส่รองเท้าแตะนะไม่ใช่บูทนะ่ะเท้าแตะธรรมดาเนี่แหละเดินกอแกกกอแกกอยู่ข้างหน้า น, นาบีน่ะใครพาขึ้นไปอ้าวงั้นต้องนึกนะวะ่าสวรรค์อยู่ที่ไหน อินดัสิโรติลมุนตาจันนุลมาวสวนสวนเนี่ยอยู่ใกล้ๆ ก, กับต้นพุทธาชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดถ้าจะใช้เวลาเดินทางเนี่ยห้าร้อยปีขึ้นห้าร้อยปีลงพันปีชีวิตของเรายาวกนัด น, นั้นน่ะมีแหะไม่ถึงอยู่แล้วเวลาอยู่ยดงไงอย่างบน นบีงงกลับมายาบิลานคุณทำอะไรหรือฉันได้ยินเสียงรองเท้าของคุณอ่ะฉะนั้นเอาลอยเอาคนเข้าสวารรค์นี่นะมันต้องผลงานจริงๆอัคลาจริงๆหัวใจสะอาดจริงๆคนรวยๆไม่เอ า, าศาสนาเอาอเก็บอยู่ในโรกหมดอนะ่ะนี่เป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุดเลยอังจะนั้นมณีตาดาคุณอ่านใครที่ ชายชีวิตอยู่ในทางนําบนโลกดุนยาใบนี้หมายถึงมีศาสนามีอีหมายมากับกับชีวิตฝาอินนามายาตาดีลรนับซีแท้จริงเขาอยู่ในทางนําประโยชน์เพื่อตัวของเขาเองคนอื่นไม่ได้ต่อมาครับวา ม, ามบัลผู้ใดที่หลงผิดคือไม่ได้อยู่ในทางนำไม่เอาศาสนาปฏิเสธสุนนนาบีพี่น้องเป็นคนหลงหมดเลยถึงจะรวยแค่ไหนก็หลง นี่ทราบข่าวว่าคนที่รอนบีมูฮัมหมัดตายแล้วไม่ใช่ตายธรรมดานะถูกเผาไหม้ไฟคลอกตายอาจารย์นวเวตน่ะให้ผมดูอาไรยในวีดีโอนอนน่ะเป็นตอตะโกเลยเอัลลอฮเล็ดงานช้าช้าแต่เราดึงใจร้อนใช่ไหมใช่คุรานอัทิจแล้วใช่ไหม ว่กานัลอินซานูอายุลามนุษย์ในใจใจรอนหมดแล้วก็ขอดวอ้างให้ได้ให้ได้อะไรนะเรื่องชั่วชั่วให้ได้ไวๆเนี่ยเอาล่ะว่าถ้าฉันรับนะดวอ้างของคุณที่ขอให้สาปแค่งกนนั้นทําลายคนนี้ในโลกนี้ชิบมาลายทไปหมดแล้วแต่ฉันก็รับเหมือนการแต่ช้าๆแ้ค่อยเล่นงานแล้วค่อยเล่นงานแล้วเล่นงานจะนั้นคนที่วางแผนทําลายอัลลอฮฺ ทำลายนาบีมามาถูกเล่นงานหมดจะชาหรือไวตรงนั้นเองที่ต้องต้องนึกเยอะว่ามัมตลล่ะใครที่ไร น, นะใครที่หลงทางไม่เอาศาสนาย่าดิลนรั้วลยฮะเขาเป็นคนที่หลงทางอัลลอฮอักบาลแล้วคนหลงทางก็ดีอ่ะไม่ดีแลวแปลกนะคนไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์บาง ท, กทีก็ทำให้รวยนะ ฟาโร์รวยหรือไม่รวยรออาคุฟัดอยู่ในพระราชวังอย่างรอเลยอย่างดีเลยนะใจท่านชาวนรกอือลลอเมืกีก็นี่ในความคาดอักุรอานอายะอื่นอธิบายอย่างนี้ถ้าฉันไม่กลัวว่ามุสิมเนี่ยจะทิ้งอิสลามฉันอยากจะให้บ้านของคนกาเฟนั้นทำด้วย เงินทําด้วยทองหลังคาทําด้วยทองบันไดทําด้วยเงินและทำด้วยทองภาชนะทั้งหมดทําด้วยทองแต่อลัลลอฮ์ก็กลัวกลัวมุสลิมที่รับการิมาแล้วฉันออกจะอิสลามดีกว่าไปอยู่คนฝั่งกนู่ น, น ون, โอโ้มีบ้านเป็นทองบันไดเป็นทองภาชนะเป็นทองพวจะทิ้งอิสลามต้องการจะอธิบายว่าความสุข ของคนไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์ให้แค่แล่นๆอยู่บนดุนยานี้ชั่วคราวหลังตายไม่มีใครสบายสักคนลำบากหมดเลยต่อมาครับวาลาตาซิรวาซิรตุวิซรออูคราไม่มีผู้ใดแบกภาระของผู้อื่นได้คนที่มีคดีน่ะนั่งกันอยู่นะคนหนึ่งอีกคนสิบคนนั่งคดีไม่มี เห็นตํารวจปับ๊บไอ้ก้าคนนั่งสบายเฉยๆแต่อีกคนนั้นน่ะ <c oughs> กระซ า, า, าบกระซาบกระซับกระซาบอาญานีนอธิบายอย่างนี้แหละฉะนั้นอะไรนะไม่มีผู้ใดแบกภา ร, ระของผู้อื่นได้ตัวใครตัวมันรับผิดชอบกันเองก็อธิบายอย่างนี้ด้วยนะลูกของคนกาเฟตเนี่ยอ่าลูกของคนกาเฟตที่ตายตอนเล็กๆไปอยู่ที่ไหนเด็กกาเฟส พ่อเป็นกาเฟรินเป็นมุชริกินเป็นคนฝั่งขนูน่นเด็กยังไม่ผิดอะไรเดียตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีหะดีษอธิบายเยอะสามสีหน้าอิบลุกซิดอธิบายไว้เยอะมากสารุปก็แล้วกันว่าเด็กกาเฟตตายนี่นะมีความขัดแย้งกันเยอะมากสารุปก็คือว่าบางคนอธิบายว่าไปเป็นคนรับใช้มุสลิมในสวนสวรรค์เด็กกาเฟตที่ตาย ตอนเล็กๆนะนะก่อนนิติเพระว่ก่อนบาเล็กอ่ากินบาเล็กเนี่ยไปเป็นคนรับใช้อัดิศอัิบายอย่างนี้สานนาโรซูลลอละอันอัลฟาลินมุชริกีนเราได้ถามท่านรูซูลลาะถึงเด็กมุชริกีนที่ตายไปอยู่ที่ไหนฟะก้อนอ่านอะบีตอบว่าฮุ um ah ่มคีด a มูอัลญันนะเด็กเหล่านี้ไปเป็นผู้รับใช้ชาวโซวส่นวนเด็กมุสลิม ที่พ่อเป็นมุสลิมแม่เป็นมุสลิมตายตอนเล็กๆยังไม่บรรลุนิติภาวะไปอยู่ที่ไหนมีความเห็นตรงกันหมดไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอสุภานอัลวะอาลาทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลละแล้วก็นบีก็อธิบายอีกนะใครที่มีลูกตาย ต, ายตอนเล็กๆนี่แหละพ่อแม่เสียใจนะเสียใจมากนะถามว่าพ่อหรือแม่ทาอะไรผิดไว้นะ่เหมาะที่จะไปนรก ลูกเนี่ยไปยืนเฝ้าที่ปากประตูประตูวสวรรค์นเนี่ยแล้วบอมันเข้าไปละแมวรอแม่มะฉันอยู่ที่ไหนมะฉันอยู่ที่ไหนยออฉันอยู่ที่ไหนไปเอามาก่อนโอ้โหอักบาร์ไอ้ดิ๊นได้กำไรก็ได้กำ ไ, ไ, ไกำลังใจเหมือนกันนะคณะวัดเป็นคนชั่วๆนะพ่อนะชั่วแม่นะชั่วแต่ลูกดีใช่ไหกลูกอนุญาตให้ไปสวรรค์เด็กไม่ยอมเข้าสวรรค์รอพ่อรอแม่ก่อน อย่างนี้เป็นต้นเดล๋ย้มดี๋ยวเล่เเด็กที่ถูกฆ่าตายทั้งหมดน่ะเป็นชาวสวรรค์หมดที่มาฝังกันที่วัดอะไรวนันนั้น่ะที่ศพสองสองสองพันศพเออสองสศพอะไรเนียนั่นน่ะน่ ะ, น ะ, ะถ้าเป็นเด็กมุชาิกีนก็มารับชายคนชาวสวรรค์ วัลลาห์อาลลอฮ์ลทุอัลารูตอนนี้อธิบายให้เราฟังเพลงเล็กๆ น, น, น, น, น้อยๆแค่นี้นะครับอา้าววะลาตะจีรวาจีรตุงวีสรออุครอไม่มีผู้ใดแบกภาระของผู้อื่นได้ต่อมาครับวะมากุณนะมุฮัตซีบินะฮัตตาณบะอสซาโรสูลเรามิได้เป็นผู้ลงโทษผู้ใด อัลลอ์ เ, เล่าเองนะเราจะไม่ลงโทษผู้ใดหรือประเทศใดจังหวัดใดหมู่บ้านใดจนกว่าเราได้แต่งตั้งรอซูลขึ้นมาก่อนอวันนี้รอซูลไม่มาแล้วอลัลลอ์ว่าฉันส่งอุลมามาะมาอย่าลืมนะรอซูลไม่มาแต่ทรงอุลมามะไปฉะนั้นอุมะมของนบีมูฮัมมัดเนี่ยนบีรับผิดชอบจนถึงวันเตียมะ ดังนั้นวันนี้ใครจะอ้างว่าเราฉันไม่เคยเห็นหน้านบีมูฮัมหมัดนะฉันไม่เอาศาสนาใครบอกเพราะกุูอ่านเล่มนี้เป็นของนบีมูฮัมหมัดและนบีมูฮัมหมัดนั้นเป็นรัวสุนคนสุดท้ายจนถึงวันกิยามส่วนนบีคนอื่นๆนั้นมาเฉพาะกลุ่มกลุ่มกลุ่มุมุมกุมุมส่วนนบีมูฮัมหมัดนั้นก็จะว่าอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมมาเลยยูนิเวอร์สเลยคุ้มจักรวาลทั้งหมดคําสอนของมูฮัมหมัด ต้องไปถึงทุกหมู่บ้านฉะนั้นซุนนะนบีเนี่ยต้องขยายไปตามหมู่บ้านทั้งหมดเพราะเป็นเพราะนาบีเปคุมดูแลโลกทั้งโลกอะ่ะไปนี้อลัลลอฮ์เปิดไฟเขียวให้แล้วฉะนั้นเราต้องช่วยกันเอาซุนนะของนบีเอาอิสลามเนี่ยไปเผยแพร่ตามบ้านฉะนั้นคนที่เผยแพ่อิสลามเนี่ยถูกตําหนิไหมถูกหมดอา้าวนบีเป็นบุคคลตัวอย่างที่ถูกตําหนิหนึ่ง สอนศาสนาเป็นอะไรนะกาฮินหมอหมอผีซาเฮตอะไรนะนัก ง, งสยายศาสตร์มัจนูนนเป็นคนบ้าอ้อาววันนี้ใครเอาอูสุน่าทารีไปสอนกัะนใหม่วะฮาบีเต็ไมไปหมดเลยถูกตำหนิหมดไปร้องไม่มีปัญหาทำหน้าที่ของเราไปก่อนแล้วกันอัลลอฮ์ให้รางวัลตอบแทนกับคนที่ทำงานศาสนาถามว่าบิล่านเข้าสวรรค์ก่อน ไปเดินแรกของท่าอยู่ในสวนสวรรค์นเนี่ยทำงานอะไรอาชีพทำอะไรเป็นทาสมาก่อนเสร็จแล้วก็มารับอิสลามใช่หรือไม่ใช่30ปีอยู่ในศาสนาอิสลามสามปี30มปีเป็นคนคาเฟหนะว่า ง, ง่ายๆ30ปีเนี่ยอาดารยนะ์าะทำหน้าที่บิลลันอย่างเดียวนะน บ, บีพูดประครททำหน้าที่อาจารย์แปดปีไปสวรรค์แ น, น่แต่บาปอื่นต้องทิ้งให้หมดนะ ต้องทิ้งให้หมดนะต้องทิ้งให้หมดเออมีอยู่คนหนึ่งนะครับอาจารย์อยู่ที่มัสยิดที่ประเทศอินเดียนหนังสือพิมพ์ตามมีทายาทพุมอ่านพบพอดีมีสองคนตำแหน่งอิหม่ามกับตำแหน่งอะไรนะบิลานเนี่ยอาจารย์ที่มันเขมีเงินเดือนให้กันมีอยู่คืนหนึ่งผู้หญิงเ่ยผู้หญิงมุสลิ ม, มเนี่ยตอนการจะมาเยี่ยมญาติในตำบล น, นั้นนะพอมาเสร็จแล้วก็ฮินดูมุสลิมทะเลาะกัน ทะเลาะกันตัดฆ่ า, ากันแล้วผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในเหตุการณ์ ก, ก็วิ่งเข้ามาสิทธิดพอเข้ามาในมัสยิดเแล้วว่าอิหม่ามบอกออกไปออกไปจะใครไม่เห็นฉันถูกตัดคอแน่้ะเอาผู้หญิงเข้าสุราบได้ไงแต่ผู้หญิงบอกว่าฉันเข้า บ, บ้านอย่างรอยังยังไม่ปลอดภัยอยู่เลยเพราะว่างั้นอิหม่ามอก อ, อเชิญเชิญเชิท่านจะอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องอิหม่ามนั่นแหละอ๋ออิหม่ามก็ะปดหัวงานนี้ คือนั่นก็ให้ผู้หญิงนั่งอยู่ในห้องก็ห้องก็ไม่โตเท่าไหร่ผู้หญิงก็นั่งอยู่ในห้องตัอิหมามคนนี้ก็อาหนังสือมาอ่านพอดึกๆึกเนี่ยเอามือลนลนลนลนลนลนลนลนลนไฟล์ลนไฟล์ลนเทียนลนอ่านต่อไปตัวทั้งสองคนเนี่ยแม่นอนทั้งคืนพอตื่นเช้าคนมาผู้หญิงบอกว่าอิมานต้อไปส่งฉันที่บ้านถ้าไม่ส่งเดีจะฟ้อง เมื่อคืนก็นอยู่ห้องอิหมามแล้วเนี่ยแต่นี้ก่อนที่จะประส่์ฉันเขงขอถามนิดหนึ่งอะฉันสังเกตดูวอิหมามเนี่ยเอามือลนไฟทําไมเมื่อคืนตั้งหลายเที่ยวพอนึกออกใช่ไหมอิหมามบอกว่าฉันมีอารมณ์อ่ามีอารมณ์อ่ะอยู่ในห้องเดียวคนสองคนน่ะพอมีอารมณ์ทีเอามือลนไฟทีหนึงก็เอามือออกก็อ่านหนังสืออารมณ์อีก ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกมหาเศรษฐีคนหนึ่งอในอินเดียนั่นแหละพาผู้ชายคนนี้ไปหาพ่อบอกพ่ อ, พอหนูขอแต่งงานต่อคนนี้ทั้งที่ผู้ชายมาขอเต็งไปหมดนะไม่เอาเอาคนนี้ฉันเลือกแล้วเป็นคนดีมีอีมานขนาดมีอารมณ์ซาวานปั้มหนูก็ได้แต่เอามือลนไฟฉันขอแต่งงานพ่อว่าจริงนะพ่อนี่ยไม่ได้ชอบตรงไหนเลยลูกทันจะเอาคนนี้แหละเพราะเป็นคนดีมีอีมานใช่ไหม มีข้อมูลอะไรเยอะที่เราอ่านจากหนังสือต่างๆนะเป็นข้อเป็นข้อมูลเตือนใจฉะนั่นคนดีอลรถจะดูแลรักษานะครับอา้าสุบฮาระกหลุมะัฮัมดิกะุลลัลิลลาฮอิลอันตะอัสตัฟุกับวะตุบุกสซุลลามลัยกุมะรุมะตุลลอฮิวะบรกตุ